ตอนคํำจะแสดงธรรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรในตอนดึกจะทรงแสดงธรรมสั่งสอนพวกเทวดาทั้งหลายและในตอนเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินทบาทก็จะทรงเร่งยานดูว่าวันนี้ควรจะไปแสดงธรรมให้แก่ผู้ใดเป็นกรณีพิเศษ แล้วหลังจากนั้นก็ส่งออกบิณฑบาตนี่คือพุทธกิจห้าประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบำเพ็ญหลังจากที่ได้ส่งตัรูุ้เป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงอุทิศชีวิตที่เหลืออยู่สี่สิบห้าปีให้แก่การ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 การจะปฏิบัติที่ถูกต้องได้ก็ต้องได้ยินได้ฟังคำสอนที่ถูกต้องก่อนนี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมเพื่อเราจะได้กําจัดความสงสัยบางอย่างที่เราอาจจะไม่เข้าใจก็ได้เช่นมีคาถามอยู่เรื่อยๆที่ถามว่า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 และสมบัติชิ้นที่แปดก็คือที่กรองน้ำพระสมัยพุทธกาลนี่จะตักน้ำจากลำทารจากแหล่งน้ำต่างๆซึ่งอาจจะมีตัวสัตว์อยู่ในน้าก็ต้องมีที่ตักแบบที่มีที่กรองการไม่ให้ตักเอาตัวสัตว์ขึ้นมากับน้ำนี่คือสมบัติแปดชิ้นที่พระพุทธเจ้า ตรงมอบหรือบัญญัติให้พระภิกษุผู้บวชในบรวรพระพุทธศาสนามีไว้ให้มีไว้เพียงแค่นี้ไม่ให้มีอะไรมากไปกว่า น, นี้เพราะว่าพอเพียงต่อการที่จะ <c oughs> ดำรงชีวิตปฏิบัติเพื่อให้หลุดพน้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ นี่คือความมักน้อยของภาคึกสุสัมมณนมีเพียงเท่านี้ก็อยู่ได้แล้วความมักน้อยแบบนี้เรียกว่าเป็นบุญเป็นมักเพราะเป็นการทำลายกิเลสตัณหาความมากักมากความโลภมากความอยากได้มากๆโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร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 ใจก็จะสงบใจก็จะเย็นจะสบายความยินดีในธรรมอีกข้อหนึ่งก็คือความยินดีกับการภาคกับความภาคเพียรวิริยาลอมพาคือความยินดีที่จะประกอบความเพียรอย่างต่อเนื่องเช่นเดินจงกรมสลบับกับการนั่งสมาธิตั้งแต่ตื่นจนหลับพระพุทธเจ้าทรงสอนพระให้ เดินจงกรมนั่งสมาธิเริ่มตั้งแต่ตอนเย็นคือตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มสอนให้พระไปอยู่ตามที่สงบสงัดวิเวทตามลำพังแล้วก็ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาด้วยอิเลยาบรทั้งสองนี้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 ตัวเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงผมเหรืออยู่ตรงขนหรืออยู่ตรงเล็บหรืออยู่ตรงฟันอยู่ตรงหนังอยู่ตรงเนื้ออยู่ตรงเอ็นอยู่ตรงกระดูกอยู่ตรงหัวใจปอดตับลำไส้ในสมองหรือน้ำต่างๆน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลตเราอยู่ในส่วนเหล่านี้หรือเปล่าแยากมันออกมาดู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 พราะทุกมันทุกเวทนามันเป็นอนัตตาเราต้องพิจารณาให้เห็นว่าเวทนามันเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้เวลาสุขเวทนาให้มันจะทาให้มันเป็นทุกขเวทนาก็ไม่ได้เวลามันทุกขเวทนาจะทาให้มันเป็นสุขเวทนาก็ไม่ได้ต้องปล่อยมันอย่างเดียว ถ้าปล่อยได้ใจจะไม่ทุกข์ใจทุกข์เพราะความอยากให้เวทนาหายไปถ้าดับความอยากให้เวทนาหายไปได้ใจก็จะไม่ทุกข์จะดับความอยากได้ก็ต้องเห็นความจริงยอมรับความจริงเข้าใจความจริงว่าทุกขเวทนาเป็นอนัตตาเป็นเหมือนฝนฟ้าเหมือนลมพัด เราสั่งลมพัดให้หยุดพัดได้หรือไม่ <S <S เราสั่งให้ลมพัดได้หรือไม่เวลาลมไม่พัดสั่งไม่ได้เราอยู่ทำไมเราอยู่กับลมได้ก็เพราะว่าเราไม่มีความอยากกับเขานั่นเองลมจะพัดเราก็ปล่อยก็พัดไปเป็นลมพายุเป็นลมหมุนเราก็เราก็อยู่กับเขาได้เราไม่ทุกข์กับเขาได้เพราะเรารู้ว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้ เราก็เลยไม่มีความอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาทุกขเวทนาจนใจเข้าใจแล้วใจจะปล่อยพอปล่อยแล้วใจจะสบายจะเฉยถึงแม้ว่าทุกขเวทนาอย่ายังตั้งอยู่ก็จะไม่มีความเดือดร้อนจะไม่กังวนกวายกระสับกะส่ายจะไม่ดด้นจะเฉย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 นี่ก็คือเรื่องของการเจริญปัญญาในการทำความเพียรไม่ว่าจะเดินจงกมหรือนั่งสมาธิสามารถเจริญสติได้จเจริญสมาธิได้จเจริญปัญญาได้พระพุทธเจ้าจึงสอนพระภิกษุให้ยินดีให้อยากทำความเพียรกันให้ให้เดินจยกมนั่งสมาธิตั้งแต่เวลาหกโมง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 เป็นดินน้ำเป็นลมเป็นไฟได้อาหารที่ได้มาในบาศก็เป็นดินน้ำลมไฟพิจารณาไปตลอดทางก็ได้ถ้าจ ะ, จะเจริญปัญญาถ้าจ ะ, จะเจริญสติสมาธิก็ให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้รู้ว่ากําลังเปิดฝาบาศรู้ว่ากําลังรับอาหารใส่บาศรู้ว่ากำปิดฝาบาศรู้ว่าเดินอันนี้ก็มีสติอยู่กับการ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 เวลาระหว่างทําก็ไม่มีการคุยกันพระปฏิบัติถึงแม้จะอยู่ร่วมกันมากน้อยเพียงไรเวลามาทํำกิจจะวัดนี้จะไม่เห็นว่าท่านคุยกันเลยต่างคนต่างทําหน้าที่ของตนมีหน้าที่กว่าก็กว่อมีหน้าที่ถูกก็ถูทําไปอย่างขมัดขมแนนทาให้เสร็จเร็วๆเพื่อที่จะได้ไปปีกเมื่เวต่อ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 ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นฆราวาสเป็นหญิงหรือเป็นชายหรือเป็นพระอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่ว่าเป็นสุปฏิปันโนอุชฌปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนหรือไม่นี่คือเรื่องของของความภาคเพียรขอให้เราอยากในความภาคเพียรกันอยากเจริญสติอยากจเจริญ ส, สมาธิ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 อยากจะมาหาที่สงบสงบัดอยากจะมานั่งสมาธิทําใจให้สงบอยากจะฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญา <Yeah. S 1> ควรจะให้มีความยินดีในความอยากแบบนี้ไปได้เรื่อยแล้วความอยากแบบนี้จะพาให้เราได้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ให้เราได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้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 มันเป็นความทุกข์เสียมากกว่าเพราะต้องเล่นโลนต่อสู้หาสินต่างๆมาหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่มีคําว่าพอเมอื่ออิ่ต้องหาไปเรื่อยๆแล้วเวลาสังขารร่างกายเริ่มเสื่อมทรมลงก็จะทําไม่ได้เวลาแก่ลงไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาตายไปก็ไม่สามารถ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 เป็นความสุขที่หลอกหลอกให้เราติดอยู่กับกองทุกข์เพราะเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆพอร่างกายอันนี้ตายไปหมดสภาพไปเรายังมีความอยากอยู่เราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มารับใช้เราต่อมาทาตามความอยากต่อมาดูมาฟังมาดื่มมารับประทานต่อ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 เวลาใจไม่สงบนี้จะมองไม่เห็นเหตุอันนี้แต่เวลาทําใจให้สงบแล้วจะเห็นเหตุนี้ได้อย่างชัดเจนเหตุนี้ก็คือตัณหาความอยากนี่เองตัณหาความอยากสามประการด้วยกันคือกามาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลประภะภาวะตัณหาความอยากมีอยากไม่เป็นวิภาวะตัณหา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 พอปลาผุดโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําก็ทําให้น้ํากระเพื่อมน้ําเป็นลูกขึ้นขึ้นมาใจก็เหมือนกันเวลาใจสงบใจนิ่งนี้มีความสุขพอใจมีความตันหาความอยากความนิ่งความสงบนั้นก็จะหายไปสิ่งที่ได้กลับมาแทนที่ก็คือความกระสับกระส่ายความ ก, กาังวลกังวลลองสังเกตดูเวลาอยากจะได้อะไรนี้อยู่เฉยๆได้ไหม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 อันนี้เพราะว่ามันไม่เห็นเวลาใจไม่สงบจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจงจะไม่เห็นโทษของความอยากแต่เวลาใจสงบมีสมาธิแล้วนี้เวลาเกิดความอยากนี้จะเห็นว่ามันมาทำลายความสงบมาทำลายความสุขของสมาธิก็จะต่อสู้กับมันจะสอนใจว่าอย่าประยากเอาสิ่งต่างๆที่ได้มาก็เป็นความสุขเดียวเดียว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 เพราะท่านเห็นโทษของความอยากว่าเป็นเหมือนห อ, อกทิมแทงจิตใจนั่นเองถ้าเรารู้ว่าที่เราปวดศรีศ ร, รษะ <c oughs> เพราะว่าเราเอาค้อนมาทุบศรรีรษะเราเรายังจะเอาค้อนมาทุบศรรีรษะเรารหรยไม่ตอนนี้เราไม่รู้เราก็เอาค้อนมาทุบอยู่เรื่อยๆเอาห อ, อกมาทิมมาแทงใจเราอยู่เรื่อยๆด้วยความอยากอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากได้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 แต่อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่ก็ต้องออกไ ป, ไ ป, ไปใหม่ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำไปจนมันตายตายแล้วก็กลับมาเกิดมาทำใหม่นี่แหละคือโทษของความอยากมันจะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดไปสร้างความทุกข์ให้กับใจอย่างไม่มีวันจบสิ้นพอไม่มีความอยากแล้วถึงจะรู้ว่าออไม่มีอะไรที่จะมาทาให้เราทุกข์ได้เลย ฝนฟ้ากาทําให้เราทุกข์ไม่ได้ความยากความความยากจนก็ทําให้เราทุกข์ไม่ได้อะไรต่างๆก็ ok, ทําให้เราทุกข์ไม่ได้คนนั่นคนนี้จะมาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้จะมาทําอย่างนั้นทำอย่างนี้นนก็จะทําให้เราทุกข์ไม่ได้เจะด่าจะชมก็ทําให้เราทุกข์ไม่ได้เพราะความทุกข์มันเกิดจากการอยากของใจเท่านั้นเองอันนี้แหละที่จะ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 ถ้าไม่มีรถไม่มียางก็ไม่ต้องมาทุกข์กับมันพิจรารณาอย่างนี้ไปแล้วต่อไปก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะของทุกอย่างที่เราได้มานี้มันจะต้องมีวันนี้มีวันเสือ่อมมีวันเสียวันที่จะทําให้เราต้องผิดหวังทําวันที่จะต้องทําให้เราเสียอกเสียใจถ้าเราคิดเห็นว่ามันเป็นอนิจจ์แล้วมันเป็นอนัตตามันเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้อะไร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 ยะถาวาเรวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปการปติอิช e ิตังปจิตังตุมหังค um ิเตเมวะสุนิจโตสัพเพปุเรนโตสักปาจันโตปนาระโสยะถามานิจติ พระโสยะถาสัพพิโยวิวัจจันโตสัพพโรโววินัสตมาเตภวตวันตายาโยสุขีธีขายุโภพวาอาภิวาธนริีลสะมิจางวุฒาปจายโนจตารูธรมมวัทาติอายุวันโอสุขังภาลา อยาจะมีคําถามก็ถามได้มีไมโครโฟนอช่วยพูดใส่ไมโครโฟนเพื่อคนอื่นจะได้ฟังเสียงได้ฟังคําถามได้อะไรหม อ, อครับหลพอครับเวลาเราเจริญสติเนี่เราใช้ความคิดใช่ไหมฮะเช่นสมมุติทํางานที่ต้องมีขั้นมีตอนแล้วก็ทําไปด้วยเจอเสด็ด้วยได้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 พอรู้ว่าดูแลอย่างไงมันก็ต้องตายอยู่ดีนี่แหละคือปัญญาอย่า ก, กลัวความตายอย่าไปอย่าไปกลั ว, วาเรื่องของการคิดถึงความตายการคิดถึงความตายนี้ไม่เป็นอัภิมงคลอย่างที่ชาวบ้านคิดกันชาวบ้านนี่จะคิดว่าเฮ้ยพูดถึงคําตายไม่ได้นะไ ม, ไม่เป็นมงคลเหมือนกับเป็นการสาบแช่งถ้าถ้าความคิดของเรามันวิเศษขนาดนั้นทำไมเวลาคิดให้เรารวยมันไม่รวยสักที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 ความอยากของเราเองอยากมีคนนั้นคนนี้อยู่ด้วยพอไม่มีมันก็เริ่มรู้สึกว่าเหว่ขึ้นมาถ้าไม่มีความอยากจะอยู่กับใครความว่าเหว่มันก็ไม่มีนางวิส า, า, า, าขาที่ที่ยังเสียใจที่หลานสาวตัวเองตายเนี่ยตั้งที่เป็นโสดาบันแล้วก็แสงว่านางยังไม่ผ่านอสุภะที่ว่านี่ใช่ไหมครับก็ไม่ทราบว่าเธอเสียใจด้วยเหตุผลกลไกใด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 อันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่ควบคุมความคิดของเราปล่อยให้มันคิดไปตามอารมณ์ถ้าเราคิดไปเ น, น่ถ้าเราควบคุมให้มันคิดด้วยเหตุ ด, ด้วยผลมันก็จะรังรับได้เสื้อผ้ามีไว้ทาไมไว้ใส่เพื่อปกปิดร่างกายใช่ไหมล้วตอนนี้มันพอใส่หรือเปล่าถ้าพอเราซื้อมาทำไมเนี่ยนั้นมันก็จบก็ควบคุมได้ความความรู้สึกนึกคิดให้มันคิดไปในทางที่ให้มีความสุขได้ อย่างพาระหลานพระพุทธเจ้านี้ท่านคิดไปในทางที่ทําให้จิตใจของท่านมีความสุขท่านไม่ได้คิดไปในทางที่ทําให้จิตใจของท่านมีความทุกข์เนี่ยความสุขความทุกข์มันก็เกิดจากความคิดเนี่แหละตัณหาความอยากมันก็มามันต้องใช้ความคิดเป็นตัวตั ว, ต, วตัวพาไปอย า, อยากจะเวลาคิดถึงเวลาคิดถึงขนมมันก็เกิดความอยากขึ้นมา แต่พอคิดถึงอุจจะหลังจากที่กินขนมแล้วถ่ายออกมามันก็จะไม่อยากกินงนั้นอยู่ที่เราจะคิดไปในทางไหนถ้าเราไม่อยากจะกินทุกครั้งเวลาเห็นขนมก็คิดถึงตอนที่มันกลายเป็นอุจจาระดูพอมันกลายเป็นอุจจาระเราก็ินอุจจาระเนี่ยกินไปทำไมมันก็ไม่อยากกินได้อันนี้วิธีปฏิบัติเขามีการรู้จักการควบคุมความคิดได้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 ตอนนี้เราทําได้กี่ชั่วโมงต่อวันเราก็เพิ่มเวลาขึ้นไปเรื่อยๆจนทําตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำก็คือทําตลอดเวลาเลยถ้าเราเคยทํางานทําการเราก็ลาออกจากงานไปแล้วเราก็ไปบวชไปบวชเป็นพระหรือถ้าไม่บวชก็อยู่แบบพระอยู่คนเดียวปีกวิเวกแล้วก็ปฏิบัติแบบพระไปตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มตีสองก็พัก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 ไปเห็นคนที่มีหน้าตาสวยงามขึ้นมาแล้วเกิดกล้มามหลบขึ้นมาถ้าเป็นความจําบางทีมันก็ลืมไม่ลืมอสุภาไปพอลืมอสุภามันก็เลยต้องไปเป็นแฟนเขาไปขอเขามาเป็นแฟนอย่างนี้เรียกว่าเป็นความจําถ้าเป็นความจริงก็คือพอเห็นใครว่าสวยว่างงามอย่างไรอสุภามันก็มาบอกว่าไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอสุภา อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นความจริงคือมีอยู่ตลอดเวลาถึงจะจริงถ้ามีบ้างไม่มีบ้างเวลาต้องใช้มันมันกลับไม่มาเหมือนเหมือนเหมือนกับรถดับเพลิงเนี่ยเวลาไฟไม่ไหม้ก็มากันวิ่งไปวิ่งมาแต่เวลาไฟไหม้เรียกกันมามันไม่มาเนี่ยบ้านไฟไหม้หมดไปเลยอย่างนี้เรียกว่าความจำกับความจริงมันต่างกันคำถามข้อต่อไปจากคุณศิริศักนะครับ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 ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ทั้งสอนและปฏิบัติมาท่านบอกว่าไม่ต้องปรยุ่งกับลมให้ดูลมเฉยเฉยให้ลมเป็นเหมือนกับที่เกาะไว้เท่านั้นเองลมจะหยาบหรือจะละเอียดจะหายใจสัน้นหายใจยาวก็ให้รู้เฉยเฉยให้รู้ตามความเป็นจริงของลมเหมือนเรานั่งตอนนี้ลมพัดเราก็รู้ว่ามันพัดมันไม่พัดก็รู้ว่ามันไม่พัดก็เท่านั้นเองไม่ต้องไปบังคับให้มันหายใจ แรงหรือหายใจเบาไม่ต้องไปควบ um, คุมบังคับอะไรมันทั้งนั ister. ้นเพราะตอนนั้นเราไม่ต้องการให้ใจทำงานเราต้องการให้ใจรู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ให้สักแต่ว่ารู้ว่าตอนนี้ลมเป็นอย่างไรลมหายใจเข้าอยากก็รู้ว่าอยากหายใจออกอยากก็รู้ว่าอยาบหายใจยาวก็รู้ว่ายาวหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นละเอียดก็รู้ว่าละเอียด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 ง่ายดีไม่ต้องไปยุ่งยากอุ่นวายพระอาจารย์ครับเมื่อเช้าเนี่ยผมได้คุยกับท่านหนึ่งอ่ะแล้วท่านนี้เขาก็เหมือนกับพูดเรื่องการเมืองอ่ะผมก็เลยบอกว่าเเราอย่าไปโกรธไปเกลียดใครก็เลยใครก็ทําอะไรมันก็ได้แบบนั้นนะครับอเราไปเกลียดเขาเนี่ยก็เท่ากับสร้างมันลกให้ให้ใจเราเนี่ยการที่เราสอนเข้าไปอย่างเงี้ยมันเป็นการ สร้างอัตตามานะให้ตัวเองไหมครับเหมือนกับว่าเราเรารู้เราอะไรเงี้ยครับอาจารย์อยู่ที่ว่าเราทำด้วยความอยากหรือไม่อยากถ้าทำด้วยความอยากอยากจะอวดรู้แสดงว่าเรารู้มากนี่ก็เป็นกิเลส ข, ขึ้นมาได้แต่ถ้าเราพูดด้วยเหตุด้วยผลคือเมื่อเขาถามมาเราก็ตอบไปหรือเราสนทนาทากันเราก็แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร